ครองอันตรวารสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อครองอันตรวารสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอาบัตหนึ่งอย่างอย่างนี้สิกขาบทที่สองภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ครองอุตตราสงย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินเปิดกายไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่สภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อ นั่งเปิดกายในละแวะกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่หภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อเดินขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างไปในละแวะกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่6ภิกษุผู้ไม่เอือ้อเฟื้อ ขนองมือบ้างขนองเท้าบ้างนั่งในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฏสิกขาบทที่7ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินมองดูในที่นั้นนั้นไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่8ภิกษุ ผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งมองดูในที่นั้นๆในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่9ภิกษุุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินเวริรกผ้าไปในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตทุกกฎสิกขาบทที่10ภิุษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อ นั่งเวกผ้าในละแวกบ้านต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัติทุกกฎปริมาณดลวัตรที่หนึ่งจบ